เมื่อเห็นความตรึกนึกดับไปนั้นสิ่งที่ติดตามมาคือความเบาโล่งหัอกสติบอกทันทีว่าขณะนี้กำลังเป็นสุขเห็นสุขเขเวทนาเกิดขึ้นแต่ความเบาโล่งหัอกนั้นตั้งอยู่ไม่นานก็เลือนไปสติเสียสูญเพราะคลื่นความฟุ้งซ่านเข้าแทรกแซงกลายเป็นความเมื่อไปพอ ร, รู้ตัวว่าเมื่อก็อึดอัดเพราะไม่รู้จะเรียกสติ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 ถ้าฝุ่งซ่านจิตจะกระโดดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้สเปดสปะแต่ถ้าเป็นตรึกนึกจิตจะจดจอ่อกับเรื่องเดียวแล้วยังแยกออกไปได้อีกคือจดจอ่อแบบแช่อย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆโดยปราศจากที่ ส, สุดชัดเจนกับจดจอ่อแบบคิดรอบด้านเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอาคำตอบสุดท้ายแล้วหยุดตรึกนึก